พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1อลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2556นหณวัดป่าวิเวกวัฒนารามมีชื่อเรื่องว่าหน้าที่คือค่าค่าคือหน้าที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง เมษายนพุทธศักราช2556วันนี้หลวงพ่อได้มาฉันอยู่วัดหลวงปูเมื่อวานฉันอยู่สำนักแม่ชีแก้วทําบุญครบพรอบวันมรณภาพของคุณแม่22ปีครบพรอบ22ปีเมื่อวานแล้วก็ปารลบกันเดือซื้อที่ดิน เรื่องซื้อที่ดินให้วัดแต่ตามไม่จริงที่ดินแปลงใหญ่สองไร่กว่านั่พวกญาติ โ, ย, ตโยมทั้งกรุงเทพเพิ่นกบฏจากระบุซื้อพปนอกแต่รูปพอระบุก็ได้คุณหมอเพ่งสีก็น้องสาวเพิน่นสองคนซื้อที่ดินป่าไม้ซักนะเจ็ดแสนเจดแสนหนึ่งมืนบาทบ่แล้วก็มือว่านเนี่ยครัสบสววจิตเพิ่นว่าซื้อที่ดินอีกพอม่านจัก สักงานห่นเนี่ยเื่องงานแห่สองงานสี่0มืนบาทอะไรก็เรื่อย ร, ร, รวบรวมจะตัปัจัยก็ได้หลายติได้มาว่าเนี่ยก็แสนกว่าบาทอาจจะถึงสองแสนก็พอละแต่เมืนเน่อใดก็ยังมีเมชีกรุณาสุวรรณศรีสองพบาทแมชีสุ ก, กั ญ, ญาห้ารอยบาทเนี่ยถวายกับหลวงพอ่อหลวงพ่อมอบให้ผออุทิศนั่นและแหม่ก็อุทิศจัดการ แต่ว่าถึงยางไรก็ตามที่ดินที่ซื้อมาแล้วก็ต้องพัฒนาพัฒนาจังไรมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นสะน้ำเห็นไหมสะน้ำใหญ่มันบอกขังน้ำหลวงพ่อก็าเลยบอกว่าเออถ้าเป็นไปใดไห่พออุทิศกับอาจารย์เกี่ยวกับคณะกรรมการไปซอยซอยเบิรนกันเบื้องหน้าเป็นแต่เอาเมฆโคไปถมกับถมซะถมสะน่ะพอถมสะอลไรก็ถมมองที่ผู้ใหญ่วาดที่เข้าซื้อหม่นี่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นสะ เป็นตะกุยตะกุยตะกายกับตะกุยตะกายเสีกันนะครับมันยังรูปยังลมอยู่กัดซื้อที่ดินเอาเงินซื้อที่ดินมาถมซะให้มันเป็นลาบเปียบพอสมควรจากนั้นเขค่อยปลูกไม้ขึ้นมาใไซปลูกไม้ส่ให้มันลมลื่นบริเวณของเจดีของคุณแม่และะ้วก็จะค่อยเฮ็ดหัวเฮ็ดห้าวให้เรียบร้อยหัวรอบขอบชิดให้เป็นเจดีจะก็เป็นอิ ก็ได้ทั้งหลังก็เป็นอย่างนรอกกอขึ้นมากเลวก็กอเป็นอิอิดบอกกอเลยว่ต้องกอสูงก็ไหนกอจากเม็ดสองเม็ดทังที่ก็ได้ค า, าเงินมันเหลือมันเหลืออยู่หรอกเงินนะขันมันโมพ่อเออเอาคอยบอกคอยกล่าวคนอีกมากเข้าหนะเออคงโมงมีปัญหาเออยังขาดหัวเนะ้อลูกปลานนะเน้อจำลุงพอขันลุงพอนนะังลุงพอก็จิเบิงเบิงขึ้นกันนั่นแหละทั้ง วัดของคุณแม่แต่ไปเบิ่งกระเรียบร่อยอยู่เมื่อวานงานทุกอย่างหลวงพ่อเห็นเลยกัปลื้มใจกับลูกกับหลานกับคณะกรรมการที่หลวงพ่อมอบหมายมอบฝังให้อาจารย์เจียวเจ้าคณะอําเภอคณะสงฆ์ตลอดถึงคณะกรรมการดูลแลหลวงพ่อมอบความไว้บ้างใจให้พวกลูกหลาน น, นนะเด้อตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อกับโยคัยมัดทั้งบัญชงบัญชี เมื่อดูแรกคณะกรรมาการแต่หลวงพ่อก็บฏเด็ปล่อยปะละเลยเหมือว่านกำลังาถามอยู่ก่อนจะมีงานกระถามเออเป็นอย่างไรบริหารจัดการเรือ่องจิตปัจจัยเพียงพ่อบอกขันบดเพียงพ่อเข้ากับเตรียมไม้อยู่ด้วยขันบดเพียงพ่อเท่าไรก็บอกเข้าขันธรรมบ้านเพียงพ่ออยู่แล้วเออเอาจัดการไปเด้ออันนี้หลวงพ่อเองกบฏเด็ปล่อยปะละเลยกระปลูกกับหลานขันไว้ชิ้นไหนมาสิ้นัก หลวงพ่อก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยไปแบกไปรับภาระร่วมกันเพราะว่าคุณแม่ชี่แก่กว่าดีหลวงปู่จามก็ดีเป็นหฮมพ่หโมไส้ของพวกเข้าลูกหลานในทิณนนี้ีไปปอยให้ผู้ใดผู้หนึ่งแบกผู้หนึ่งหามกระบอกได้มันกระ น, นักบอกให้ผู้ใดกระ น, นักมาบอกให้หลวงพ่ออินแบกผู้เดียวหลวงพ่ออินกระ น, นักคือกันนะวันะนั้นหลวงพ่อก็ต้อง อาศัยพี่น้องลูกหลานทัศนาญาติโน้มทุกมงคทุกเล่าช่วยช่วยกันคนละใม่คนละมือพอได้เห็นว่าสิ่งไหนจขาดเหลือขาดตกบกพร่องก็ซอยกันบอกก้าวตักเตือนอาจากนั้นก็คอยเขาไปแบกไปหามช่วยกันอบอกก้าวซอยกันผมมีปัญหาหรอกกันฮะว่าพวกเขามีความพร้อมเพียงสมัครขีกันผมมีปัญหางานถึงจะนักปันญาเอกพ่อเป็นไปได้งานของหลวงปูเ่เฮาขึ้นกันน่ะ หลวงพอบวเมสิบ ป, ปอยปาลาเลยเด้สืบสอบถามข่าวอยู่ตลอดถอบถามมหาทาั้งพอ อ, อุทิตยอยู่นั่นๆก็โทรมาถามเป็นไ้งานตรงปูเฮ้าหลวงพอ่วงวง อ, พอว่ า, างๆใจก็พพว่ายนังไก่อยุพุ่นอะวันที่สิบปดมกราห้าเจ็ดพุ่น่ะอันนี้หากระเดือนเมษาหนึ่งยังอีกหลายเดือนก็คิดว่าหลวงพ่อเองก็เลยบ่ไดเ้เขียวเข็นเดือดตอนอี่ยัง ปล่อยไปให้ลูกหลานมูเพื่อนทั้งผี่คู่บาอาจารย์ทั้งผี่หลวงพ่ออาจา ร, รย์เจวที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ผี่ก็ยซอยกันเบิงนะ่งเน้อลูกหลานเนะ้อแต่หลวงพ่อเป็นห่วงก็คือความพร้อมเพียงสมัครีะะกันนั่นแหละอย่าไปทะเลาะวีบว่ากันเน้อเบิ่งกันเนะ้อนี่แหละหลวงพ่อเป็นห่วงกระบปงนอกนั้นกระโมี่ยังกับเรื่องบุญบา ร, รมีของหลวงปูของเฮ้าเนี่ยคือทีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เรื่องอาหารการบริโภคหลวงพ่อบกห่วงเลยพราเหตุใดเพราะว่าบุญบา ร, รมีของหลวงปู่ก้มหมลูกลานอยู่แล้วไอ้เดี๋ยวเที่ยวดาก็จะไปบอกกุ่มนั่นกุ้มนี่มาซอยเนอร์บางกะจีบอกพอนั่นอาหารการบริโภคนี่คือเดยเป็นไปได้กันทําว่าเป็นไปบ่าอะไรหีือกับพวกเข้าเป็นมนุษย์ก็ไปบอกหลวงพ่อก็ได้นะหลวงพ่อยินเลยเรื่องอาหารการบริโภคนั่คือย่อมเย้าแล้วลท่านหลวงพ่อกระจิตพหลา หาขนมาช่วยขึ้นกันนั่นแหละบ่ได้ปล่อยปลาละเลยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็จะจะเตือนฝ่ายพระขึ้นกันนะฝ่ะายพระเกิดขึ้ไผก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่จามของเฮานี่แหละผู้ใดเค่อยจำพรนสาอยู่กับหลวงปู่ของเฮาจะเป็นปีหนึ่งสองปีสปี4ี่ปีหปีก็ตามพวกท่านทั้งหลายอย่าไปปล่อยปลาละเลยอันนี้คือพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่เฮาเกิดมา ข้านะ ว, ว่าผู้ใดบน่นลูกจักบุญคุ้นของพ่อแม่คู่บาอาจารย์แล้วผู้นั้นจะหาความจเจริญได้ท่ำยากเลยหาจเจริญทางโลกก็ายากเพานั่นเรื่องวัดว่ า, าศาสนาเจ้าของเหมือนทีไปทางนายว่ามีปัญหาทิมใบก้อนให้ผู้ใดรักษาไวหวหายโยมรักษาไหวหรือให้พระองค์ใดองค์หนึง่งพ่อจีบปัดกวาดทําทความสะอาดลงปูลงตารักษาใบก้อนก็ได้ส่วนเฮ้าที่เป็นลูกทิดลงปูเนี่ยน่าจะมากเคี่ยงบาเคี่ยงไรกันจัดการจัดงาน ชลอยกันให้เป็นชินเป็นอันขาดเหลือขาดตกมองได้ก็มีความพร้อมเพียงสมัครีกันทํำนาทีอะไรทำให้ขั้นมอกหมายให้ทํำนาทียังทําให้ดีที่สดุดพอว่าพี่นองมอกหมายให้ทําเอาเหมือนกับพี่นองของห้องมีหลายคนท่าน่ะผู้นึงเอาอไปดูขั้นหน้าเนะ่ะผู้หนึ่งไปเลี้ยงควายเนะ่าไปดูผู้หนึ่งไปถางกรอบหน้าเนะ่ะผู้หนึ่งไปหาอาหารมาเลี้ยงมูเนะ่า ข้นว่าพวกเข้าทํำนาทีกันแบ่งกันงานถึงจะนักก็กลายเป็นเบาได้เพราะฉนั้นเพราะเหตุใดเพราะพี่น้องมีความพร้อม เ, เพียงสมัครขีกันกันว่าพี่น้องโอเออมแต่ผู้ยุ่งนหันละเป็นผูรับผ้าละเข้าก็บบัวใดอีหยังดอกค่ะใดอีหยังทำรรมาลงปูพันสอนฝังเขาของวจิตหัวใจเข้าท้อใดล่ะเขาคือไดว่าจุดนั้นคือคว่าคือบัไใดขันว่าคืดบัวใดก็โง่หลายเตอะหลวงพ่อว่านะ่ย คัณฑว่าพวกเฮ้าคืดได้กันเนี่ยหลวงปูเนี่ยพันสอนย่ํำ ข, ของหัวใจของเฮ้าดึกขนาดใดหูจักดีหูจักชัวหูจักบาป์หูจักบุญหูจักขุนหูจักโถหูจักสิ่งควรบกข่วนจักนรกสวรรค์หลวงปูพันสอนใส่จิตใส่ใจเฮ้ามดแหละทีเฮ้าที่ได้อยังอีกอยากได้อยังอีกอยากได้อย่างก็ได้ท่ำในใจแล้วกันพ่อแลยตัวว่ากั้นผู้ใดมีท่ำอยู่ในใจไปใส่ก็ไปเทอาบาดเนี่ยอบโลกจักกว้านนี่ยบวชบ่อยาก มีแต่ข้นงกย่องมีแต่ข้นนับถือมีแต่เที่ยวบูธเที่ย ว, วดาเชิดชูบูชาเนี่ยแหะคนมีดถ้ำในใจแต่ว่าคนมีดกิเลสในใจเนาะไปใส่นี่ยผีขยานมันเอาไปขนมีกิเลสฮนะพอังขอให้พวกลูกพวกหลานเนะื้อผ้าเน้นลูกหลานทุกอง์หน้าที่แต่ยินหลวงพอว่อว่าวให้ซอยซอยกันเบิง่งอย่าไปโยนพาละให้ผู้ใดผู้หนึ่งให้คือหน้าที่ของข้าฮนะเห็นบารันหลวงพ่ออินเนะีเมื่อลงตามหาบัว สปสอุบัตเหตรถพลิกคว่ำข้านั่นว่ลพลิกความหรือนะว่ารถ ก, นะกระโดดลงไปข่างถนนะกระดูแขนเพล่นเล่านะลุงพ่อกับกระโดดเข้ามาเลยมือแรกเลยมาดูจัดการาจนว่าเพลินเออเป็นที่พ่อใจเลยเขายังคอยออกพ่อต่อมาอีกได้ทราบขา่าวมืดแหลกมือสองวง่าล้มปูอาการป่วยระดัเอี่ยเฮาก็เลยเงียบเแต่ตะกรอนกับป่วยอยู่ เพิ่นอายุจนเก้าสิบกว่าแต่ว่าขันว่าเพิ่นป่วยเข้าวเนี่ยมันสะล ด, ดในใจของข้าวตึกรอดลงไปอ่ามันสะดุ่งในใจของข้าวตึกรอดออกไปข้าเนี่ยการลงปูป่วยข้าเนี่ยเนี่ยบ้านนาไว้ใจแนะ่เลเล่าในยินยุจิจพุน่ะจากขอนแกน่นบนนะเข้าก็เออไปตรวจสุขภาพกัมาเลยกันออกไปมาเบิ้งเพิ่นเลยพ่อมาเบิ้งเงินพิ่นหากระปัวที่สองสา ม, มื่อนะ่ะเพิ่นกับย่างยางยางัยงได้อยู่ แต่ในใจของเฮ า, าเฮาบวาใจแล้วปัญหาเฮาตั้งแต่มือ่อปัญหาเฮาเข่ามาเลยเข่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปนะเออจนเดือนกัว่าเพระอาการพัะนักขึ้นนักขึ้นผลในสุวกระเพาะเป็นลา ข, ขันเอ่อผลลาขันเฮาก็ะยู่หันตลอดเลยดูแล ก, กับพีกับหนองสารทุกซุกดิบบึงน้ากันเออบางคนกับพ่อใจแรงบางคนกับพอพ่อใจแรงกับธรรมดาเฮาก็ะตรง เออเขามาอยู่เขาก็ต้องเงียบไปก่อนน่ะเออเข้ามาเพื่อหยังถามในใจขเขาเข้าเขามาอยู่นี่เพื่อหยังเข้าไปในมากเพื่ออดพอยัคฆ์เข้าไปในมากเพื่ออยากได้อยู่ได้กินไอ้หยัง่งเออเขามาเพื่อทดแทนพระคุณของเพิินเป็นขั้งสุดไายฮะเขาก็คึน้นวาทนานน่ะอย่าไปคึ้แนวอื่นถ้าขึนแนวอื่นมันหลายแนวเนี่ยแหละหลวงพ่อก็อยู่กับหลวงงานลงตาจนสาเร็จรุ่ง่วงไปจนพระราชท่านเพิ่ง วันทีหาเสร็จ เ, เรียบร้อยวันทีหกหลวงพอกับกับวัดเลยฮจากมือนั้นมาถึงมือนี่หลวงพอก็บบวกเคยไปนอนวัดปลาบรนตาดอีกพอเห็นใดก็าไม่ได้เกียกเดียดซันยังดอกแต่ว่าเมดผ่ผาระแล้วอพอพอ่พ อ, พอแม่กู่บาดจาย์เป็นจุดตินงใน่านไปแล้วเอภาษาบรรเทาเขาว่าเมี่ยนกระดูกหนังฝังกระดูกข่าง เ, เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวตัวของเพิินกิดจุดตินี่ละพ่านไปแล้วเรื่องธาตุเรื่องทันของเข้าซอยเพลินอย่างเต็มทีแล้วมีแต่ต่อไปไพ่ภาคนาเออลูกหลานมีความผอมเพียงสมัครีกันสีสางพระธาตุสางพระเจดีพิพิธภัณฑ์ก็ยังคอยว่ากันอีกนะอันนั้นแหละคือหลวงพ่อเกิดคิดว่าหลวงพ่อพยายามทําดีที่สุดออกับพ่อแม่คู่บ่ายจานย์ยังหลงปูหลาขึ้นกันหลวงพ่อก็เดยสางพระเจดี คุณแม่ชื่อแก้วคืกอกันหลวงพ่อก็ะดส่างเจดีปัญจุอัติธาตของเพลนนี่แหละหลวงปู่จามของเฮ้านี่คือกันหลวงพ่อจะไปปล่อยปลาเลยกับบใด้คือกันถึงอยู่จังไหนหลวงพ่อองเบิงเพราะเป็นลวงอาพร้อมเป็นพอแม่คู่บาอาจารย์พร้อมที่เพลนแนะนาสั่งสอนธรรมะใดจากองค์หลวงปู่เฮ้านี่ยคบบ่แม่หน่อยคือกันพระนริโขให้พวกลูกหลานทุกคนนะท่างฝ่ายคารวหยาดโยมคือกันซอยๆกันเบิง คือเป็นหน้าที่ของข่าข่าคือหน้าที่จะต้องดูแลซอยๆกันเบิงเบิงความพร้อมเพียงสมัครี่เป็นหูเป็นตาน้กนนนนากันมันอะได ม, มันพิษเอาขวูจังว่ามันพิษอะไดมันทุกเอาไปเบิงซอยกันเบิงคามันพิษแล้วก็รุ่มกันพิจารณากันพิจารณาโด ย, ยท่าบรโมเมติลุ่มขอนนําทั้งศอกทั้งเขา่าบรโมเมติงสันเอง แหมใคๆก็ให้มีเมตตาต่อกันเออมันพิดนะเจ้าเฮ็ดยังสี่มันบ่เถื่อหนะหลายคนต่อมาว่เอาใจกันเนี่แหละอขั้นามากุฎใดเฮ็ดยังสั้นแล้วอะเข้าก็บดูผ้าสุกแล้วต่เนี่ยภาจะเฮ็ดยังขึ้นก็ต้องคิดนักแหะแหมเออพราะว่ามิผวกเข้ามีความพร้อมเพียงสมัครี้กันแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองงานของหลวงพ่อก็คือทุกปีทีพานมาถึงจะบวจัดงานวันเกิดก็คือจัดงาน คือคนเขาไปหาบาดนี่เกีเรื่องเต้นของหลวงพอ่เอเถียวมาจากวัดทั้งหมดมายูสี่สิบเก้าบี่สิบกว่าหลังเนี่เกือบห้าสิบน่ะแล้วก็พร้อมกันกับตักแค่อีกที่ขนมาเมดในวัดจนพวกมีแนวสิใส่หมดแล้ว่าขนมาม็ซอยคือว่าสิงงานหลวงปู่สีไวกแล้วก็ตูเซฟขึ้นกันทั้งหมดสักตูมันก็ถามพ่อว่าแปดตูบอ่เออเตียวมาใส่นนเองขัวัดอีกสักมือหนึ่ง เออทั้งเข้าวันีเอาไปสรงบอกนึเข้าวันศีลให้ทั้งผูดม า, ล, า, ดดมาลับกระไดสุดแต่แต่ขนผูดมาลับขนลงพอกระศีหารถทั้งผูดมากแต่ว่าตูเ่เซฟเนื้อชุเจ้าสีลอไวสักตู่เข้าวันศีลกลับไปสักตู่ก็ให้บอกกันเบิ้งนะเอีทั้งเมดมันแปดตูของเง่ามากตู่เซบคือว่าจีมีงานใหญ่ขนาดจะเพียงพ่อแต่มันหนึ่งงานบลอมแหละมันสิเอิญเอาไวของเข้ามีสักตู่ในวัดเอาไว้สักตู่เออเอาไวแต่ในของในวัดนี่พ่อบอ หรือว่าจะเอาของหลุงพอไว้สักตู้สุดแทะแต่จะพี่รณากันนะแต่ว่าเรื่องเต็นก็คงจะเอากลับเม็ดตะแคร์ขึ้นกันคงจะบันใดใส่นะอันนี้ก็ให้ปรึกษากันเนาะลุงพอจีทรงพระามารับขันอว่าพวกเฮ้าสีบอนั่นขันมาพวกเข้าจีเอาไปทรงกะเอากระว่ากันขันมาพวกนั้นพราะมากกับลุงพอก็ไม่อยู่รถก็มีนายยีดอกบอมีปัญหาในทั้งสองยางนั่นแหละ แต่หลวงพอ่อยูมาเนี่ก็เมื่อว่าเนี่ยตามไม่จริงก็อยากจะกลับแต่เมื่อว่านี่แหละพองานของคุณแม่แล้วแล้วก็เพียรลนามาแล้วก็เออกันเหนว่ามาปุ๊บกลับปับงานหลงปูของเขาก็จะมาเดชพบลูกพบหลานพบพระพบสงฆ์มาได้พบจันเดียวได้พูดเป็นจิตยาลักษณะบอได้พบกับพี่น้องลูกหลานมาปุ๊บปับกลับไปเลยก็คือพ่อปานไม่จะไม่เยี่ยมบัานพอเชียวมเมเชียวเลยที่ปวดไปมัง่งวงคอว่า เคเลยดิอยู่หอดมือนีแหละมนีจะเห็นเลยก็เออเรียบรลอยทุกอย่างหมื่บ้านก็พอก็บยางอ่อนวัดผู้เดียวเลย่างออกไปทางทิศตะวันออกย่างก็ล่อๆลงเออทุกอย่างก็เรียบลอยก็คงไม่มีปัญหาที่กว้างขวางต่อไปภายภาคหน้าคันมีงานพระราชทานเพิ่งอตามกำหนดก็คงจะเรียบรลอยทุกอย่างเพราะผกเข้าก็เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะ ่หลวงพอบอกกาวเ้อคณะิทธทยญาติโ ย, ยมลูกหลานทุกคนสรุปแลก็คือให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันนั่นแะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริเผกเขาแตกแยกสมรคีย์นะถ้าหากว่าทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นร่วมกันเห็นความแตกแยกสมคัครคีคือเสื อ, อคือผอีคือสัตว์ลายคืออันตราย แต่ว่าข้ามพร้อมเพียงสมัครขีกันนี่แหละสวรรค์มาปโปรด อ, อยู่น้ำกันมแต่ความลมเย็นพลาซุกให้เหาขึ้นไฟจังสัน้นการวาดเป็นไปอย่างที่หลวงพอบอเนี่ยนะงานทุกสิ่งทุกอย่างบนนักหนานะเรียบร้อยราบรื่นเมื่อถึงชั้นอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วหลวงพอก็จะกลับวัดล่ะพอาะพาในวัดก่อนมีนักศึกษามาบวชตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นักศึกษามหิดล นักศึกษาแพทย์มาบวชทุหันบวชสิบสี่องค์แต่นักศึกษาแพทย์แต่สิบสองมีภูพระมาบวชเป็นสิบสี่แต่ก็พระในวัดอีกร่วมกันเลยคือป่าก็าไปถึงสี่สิบกว่าสามสิบี่สิบนน่ะพระในวัดลงพ่อกับส่างซาร่าไงอีกเด้ดปีนก็ได้ ส, าสา่างซาราทั้งนอกเฮ็ดง่ายๆหรอกเฮ็ดแต่มุกหลังค้าแล้วครับเทพื้ น, นะะเลยเฮ็ดเท็ดต่าๆต่ๆตๆาคนหลังนี่ก็พื้นนะ สวัสดิ์าลาอยู่ในวัดมันบุพเพศใส่มันแน่นเข้าไปแล้วเวลามีงานขึ้นมา ก, ก็ยังพวกเข้าไปเห็นนั่น่งเออโล่งท่านก็อ้อมแคบแคบอ้อมซาลาทั้งสีติดล่มกอุดอู่ล่ ม, ลลมบัวพานอีกต่างหาเออพ่อขัวหมกพริกขึ้นมาบ้านนี้กันไส่ก๋วยเตี๋ยวนะเออขัวหักพริกใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อูดขึ้นไปหาพระพ่อปันอูดก็ห่อกระแตอะไรแบบนี้อูดบักพริกใส้พระพระกระจาฟัดจามเฟียดเลยรน เออหลวงพ่อเห็นมาเมื่อโอ้ต่อไปไผ่ผัก้ําชิ้นแน่นเข่ากว่านีได้เนี่หลวงพ่อก็เลยออกไปสางสาัาอยู่ทั้งนอกปลาลำไยเป็นเนื้ทีขึนะ้นกันน่ะเป็นนทนะืที่วัดขึ้นกันทั้งหมด27ไสรสั拉ทั้งนอกเดือไปสางอยู่หุ่นมนนีกําแพงล้อมรอบละนั่นคือจุดหมายจุดประสงค์หลวงพ่อกับแบกภาระจะได้ปีนี่แล้วก็วัดหลวงพ่อทั้งหมดนะ่ะ ปีนี้ได้ฉนโนเขาหันฉนโหนเลปีนี้พันกว่าลาอแตบ่บมันฉนโนหลวงพ่อแฉนดของพระพุทธศาสนาวัดมันเป็นวัดไผ่โมันวัดหลวงพอ่อเลยหลวงพ่อเป็นผู้บริหารที่ซื้ อ, อสมบัติแท้ๆเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาขายกระโบ้ใดเช่งกระบ้ใดโยกให้ผู้อื่นกระโบ้ใด เ, เป็นของกรมการศาสนาเป็นผู้ทูแลนัล่นแหละวัดหน้าคาหน่อยหลวงพอ่อ ปีนี้ได้โฉนดถูกต้องตามกฎหมายของเก่าละอะตอนนี้ไปลบพ่อเนาะมาในหน้าอนุโมทนาให้พ่อ